สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสตีบา น, นะครับในเช้านี้เราอยู่ในชีวิตสาวกครั้งที่สิบเก้าเรื่องการเสียสละตอนที่สามในเช้าวันนี้นะครับเสียสละตอนที่สามหมายถึงการเสียสละชีวิตรหรือการพลีชีพมีพระเจนะของพระเจ้าสามตอนด้วยกันที่จะฝากให้พี่น้องในเช้าวันนี้ตอนแรกอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งก็ยี่สิบ อธิษฐานเปาโลกกล่าวว่าพระคริสต์จะทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอพระคริสต์จะทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอนี่คือพระคัมภีร์ตอนแรกในเช้าวันนี้นะครับคัมภีร์ตอนนี้สามารถที่จะให้ความหมายหรือแปลความหมายได้ว่าร่างกายของพระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้านั้นก็ ประกอบด้วยร่างกายนะครับชีวิตนั้นประกอบด้วยจิตใจความรู้สึกความคิดและชีวิตนั้นประกอบด้วยจิตวิญ ญ, ญาณแต่ในที่นี้ท่านอะคาทูตเปาโลเน้นว่าชีวิตในส่วนของร่างกายชีวิตในส่วนร่างกายนั้นมีอยู่สองอย่างครับก็คือร่างกายที่มีชีวิตและร่างกายที่ไม่มีชีวิตนั่นหมายความว่าความตาย อาจารย์เปาโก็มงบอกเราว่าพระคะริสจะได้เกียรติในความตายของข้าพเจ้าด้วยในความตายของข้าพเจ้าด้วยนี้หรือว่าความตายของข้าพเจ้าเสมอนั้นก็มีความหมายว่าจะมีชีวิตอยู่ก็จะตายกับพระเยซูทุกวันจะมีชีวิตอยู่ก็จะตายกับพระเยซูทุกวันนั่นคือทัศนค ต, ติตของอาจารย์เปาโลที่มีในพระเยซูคริส เพราะว่าข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระเกิดแล้วเหตุฉะนั้นผู้ที่นี้ยึดอยู่ในข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอันนี้คือความคิดหรือทัศนคติของท่านอาคาทูตเปาโลครับท่านอาจารเปาโลหรืออาคาทูตเปาโลนั้นท่านปรารถนาที่จะถวายเกียรติด้วยร่างกายของท่านพี่น้องครับ หลายหลายคนซึ่งมิเชนูีผู้นําจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เขาก็เขียนไว้ตอนที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคนหนึ่งครับชื่อว่าจิมอีเลียตจิมอีเลียตเขาเขียนไว้ว่าข้าพเจ้า hmm. พร้อมที่จะตายเพื่อเผาเอาคาที่ดุร้ายในเมริกาใตา้หมายความว่าย่งไรครับหมายความว่าคนเหล่านี้นนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าและมีความเข้มแข็งในจิตใจที่จะยอมพลีชีพ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระเยซูในการไปประกาศข่าวประเสริฐครับพี่น้องครับวิจินีหลายหลายคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยบางท่านนั้นได้พลีชีวิตพลีชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อให้ พ, พระเจ้ากิตติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้แพร่หลายในเมืองไทยนี่คือทัศนคติแห่งการพลีชีพ หรือการยอมเสียสละชีวิตพระคริสต์จะทรงรับเกียรติในร่างกายของเขาไปอยาเสมอคําถามของผมในวันนี้ก็คือว่าแล้วตัวพวกเราละ่ะพระคริสต์ได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของพวกเราหรือเปล่าเราถูกข่มเหงเราถูกเอารัดเอาเปรียบเราถูกลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามา ทั้งมีต่อร่างกายมีต่อชีวิตของเราเราอดทนได้ไหมครับเราผ่านความทุกข์ยากลําบากนี้ไปได้ไหมครับเรากำลังถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของเราหรือเปล่ามีสักกี่ครั้งที่ผ่านมาในชีวิตของเรานั้นเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรับความทุกข์ยากลำบากกี่น้อครับให้เราดูว่าจิมอีเลียน เขเขียนว่าไงต่อก็เ ข, เขียนอย่างนี้ครับว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงรับชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิดถ้าต้องการถ้าพระองค์ต้องการก็ขอเอาโลหิตของข้าพเจ้าไปเป็นของพระองค์หมดข้าพเจ้าจะไม่เก็บมันไว้เพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นของข้าพเจ้าขอทรงเอาไปให้หมดเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงรับชีวิตของข้าพเจ้าไปเป็นเครื่องบูชา เราเตุจมีค่าก็ต่อเมื่อหลังออกณนะแท่นบูชาพระองค์เวียรบุตรหลายท่านนะครับก็เป็นเช่นเดียวกับท่านจิมอีเลียตเขาตะหนักว่าเขาจะต้องพลีชีวิตพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนที่สองในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่พระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่ความว่า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 ให้เรายอมที่จะเป็นเมล็ดข้าวที่เปื่อยเน่าเราจะเห็นว่าพระเยซูเองนั้นพระองค์เป็นตัวอย่างในการเปื่อยเน่าครับถ้าพระเยซูไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่อยู่บนสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดจากพระเจ้าผู้ไม่มีอะไรที่จะมาจํากัดพระองค์ได้กลายมาเป็นมนุษย์ที่ถูกจํากัด ในหลายๆด้านเพียงกับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าพระเยซูไม่ยอมถ่อมพระองค์ลงจนกระทั่งความมรณาที่กางเขนความรอดเป็นไปไม่ได้สําหรับเราครับพระเยซูถ้าไม่โปรง่งไม่ยอมที่จะแบกไม้กางเขนแบกความบาปของเราพวกเราก็ไม่มีทางที่เราจะได้รอดได้รับพระคุณ ด้วยเหตุที่พระเยซูทรงยอมที่จะตกลงมาในดินและเปื่อยเนา่าพระองค์ก็งอกและเกิดผลมากชีวิตของพระองค์ที่ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์ที่ยอมเพลีชีพเพื่อคนอื่นนั้นก็กลายเป็นเม็ดข้าวที่เปือยเนา่าและและเกิดผลมากครับพี่น้องครับเรามาดูในข้อที่สามลูกาบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่ ลูกาบทที่9ก้าข้อยี่สบสี่เป็นประโยคที่พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูกิตของเรานะครับสอนสาวกของพรงว่าแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดท่องผีข้อนี้มีความหมายนะครับหลายหลายคนสงสัยเพราะเหตุที่ความหมายนั้นลึกซึ้งมาก หลายคนสงสัยว่าไงครับทำไมพระเยซูพูดอย่างนี้จะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดมีความหมายว่าให้เลือกพระเยซูมาก่อนชีวิตของคนที่จะติดตามพระเยซูนั้นจะต้องยอมที่จะมอบชีวิตให้กับพระเยซูให้พระเยซูมาก่อนคำว่าเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรานั้นมีความหมายสองประการครับ ก็คือการยอมที่จะมอบถวายชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าให้อยู่ในมือของพระเจ้าให้พระองค์มาก่อนเหมือนกับมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามครับเมื่อเราเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เราเลือกสิ่ง น, นั้นก่อนพระองค์ก็จะประทานชีวิตให้กับเราชีวิตของพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่รอดนิรันดร์ครับ เป็นชีวิตที่ได้รับความรอดเป็นชีวิตที่คบบริบูรณ์เป็นชีวิ ต, ท, รบบรวตที่มีสงญ า, าศัศีพี่น้องทัานหลายครับในเช้าวันนี้ถ้าจะเป็นคำถามว่าเราได้มอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเยซูเราควรทำอย่างนั้นหรือเปล่าผมอยากจะเชิญชวนว่าเราต้องทำอย่างนั้นหากว่าเราอยากจะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซู หากว่าเราอยากจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูชีวิตของสาวกนั้นจะไม่ใช่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอย่างเดียวจะไม่เพียงแต่มีความสุขสบายอย่างเดียวครับแต่ชีวิตของสาวกนั้นแต่ต้องพร้อมที่จะทนทุกข์เพื่อพระเยซูพร้อมที่จะเหนื่อยยากเพื่อพระเยซูพร้อมที่จะได้รับการข่มเหงมีความทุกข์ยากลาบากเพื่อพระเยซูแต่ตรงนี้นี่เองครับก็มีความหมายว่าเรา ยอมที่จะสละชีวิตเพราะเห็นแก่พระเยซูพี่น้องทับ พ, พระเยซูก็จะให้บําเหน็จก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเพื่อเผื่อแผ่คนอื่นเพื่อให้กับคนอื่นและชีวิตที่จะได้รอดในที่สุดพี่น้องทับความปิติยินดีที่เกิดกขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั้นเป็นความปิติยินดีที่หาที่เปรียบไม่ได้ เป็นปกติครับที่คนธรรมดาทั่วไปนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเขาจะมีความสุขสนุกสนานครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นความสุขอันเกิดจากการให้เกิดขึ้นบนใบหน้าและในชีวิตของผู้ที่รับความสุขรับการให้จากเรานั้นพ่อพีบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องครับ เราลองดูที่จะให้ที่จะยอมเสียสละที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้คนอื่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราจะสัมผัสได้ครับว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับถ้าเราให้ชีวิตนะครับของเราเปือยเน่าไปในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วการให้ตรงนั้นเป็นการให้ที่สูงสุดครับเป็นการให้ที่ให้ด้วยการตอบสนอง ในพระคุณและความซาบซึ้งในพระคุณความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเมื่อเราตอบสนองอย่างถูกต้องเราให้ชีวิตของเรากับพระองค์เรายอมเสียสละชีวิตของเราให้กับพระองค์พระองค์จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลมากงอกงามถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชีวิตของเรานั้นจะงดงามและพระองค์ก็จะให้ความปิติสุขความชื่นชมยินดีที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นอาเมน